ฟังธรรมกันถือว่าเป็นอาชีพรือว่าธรรมะสวรรย์เป็นอาชีพของพวกเราเทศนาใหม่เราถือว่าเป็นอาชีพของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นบุญ อย่าเบื่อหน่ายผู้แสดงทมก็ไม่ต้องเบื่อหน่ายในชีวิตชีวาผู้ฟังก็อย่าเบื่อหน่ายแต่ผู้ฟังเบื่อหน่ายก็ไม่เจริญเบื่อหน่ายต่อคำส อ, สอนขี้เกียจทาตามแต่ว่าชีวิตไม่เจริญโดยเฉพาะพวกเราที่มาอยู่วัดวาอาราม ยิ่งมีหน้าที่โดยตรงมีหน้าที่โดยตรงแล้วก็นหน้าที่ฟังธรรมเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติเราก็พากันมาปฏิบัติมาปฏิบัติมาเจริญสติการเจริญสติกับการฟัง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 ให้ความหลงหลงไปเรื่อยๆให้ความรู้หลงไปเรื่อยๆมันชำนาญในความหลงความรู้เพื่อหลงความหลงเพื่อหลงพอเรามาฝึกหัดเนี่ยความหลงกัเพื่อรู้ความรู้ก็เพื่อรู้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจทุกที่ชำ น, นีชำนาญจะเกิดความรู้ไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องทุกราว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 ได้ยินได้ฟังกับการกระทำ่ามันก็อาศัยกันประกอบกันเวลามันหลงเราก็รู้สึกตัวเวลามันไม่หลงเราก็รู้สึกตัวให้ประกอบให้ทาแบบนี้ไป mm. ขณะที่ทาใหม่ๆก็อย่าเพิ่งไปเอาผิดเอาถูกกับการกระทาของเราอย่าไปเอาเหตุเอาผลกับการกระทาของเราหลงก็ไม่เป็นไรลู่ก็ไม่เป็นไรเรื่อยไปเสียก่อน มันมีหลักอยู่ดอกทาไปทำไ ป, ำไปมันหลงเพื่อลูกทาไปทำไ ป, ำไปมันลูกเพื่อลูกพราะมันได้ได้ความถูกได้ความผิดความผิดก็ทนต่อความถูกมาได้ความถูกความผิดก็ไม่มีโอกาสที่จะผิดไปถ้ามีความถูกต้องทมย่อมชนะธรรมสิ่งไหนเป็นธรรมก็ย่อมทนต่อการพิสูจน์ สิ่งไหนไม่เป็นธรรมก็ย่อมไม่ทนต่อการพิสูจน์ในตัวเราเนี่ยเป็นกายมีสติดู้กายเนี่ยตัวตนอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเป็นตัวเป็นตนเอาไปเป็นภพเป็นชาติในกายมันไม่จริงมันไม่มีจริงในกายนีย่ถ้ามีสติสติยึดพื้นที่ของกาย กายไม่ได้แสดงอันอื่นไม่ได้แสดงฉากอื่นแสดงแต่ความรู้สึกตัวแต่ก่อนนี้กายมันแสดงหลายฉากเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติเป็นเกิดเป็นแก่เป็นเจ็บเป็นตายอยู่ในกายแบบป่าเถื่อนพอเรามีสติแล้วหมดสิทธิเรื่องอื่นมีแต่สติเข้าไปครอง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 เราชอบทำไม่เสียเว ล, เวลาไปสุขไปทุกไปเป็นพบเป็นชาติให้เสียงอื่นมาแสดงเป็นความหลงเป็นความรู้เป็นความผิดความถูกอยู่บนกายอ่าเราก็เคยเสียเวลามามากแล้วพอมาลูมาเห็นเข้าก็ตือลือล้นตือลือล้นเพจะช่วยกาย การช่วยกายเป็นเรื่องกระตือรือร้นมากๆแต่ผู้นีที่มีสติหรือผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่ได้พัลลุธรรมไม่ได้คิดจะเกิดชิดแต่คิดจะช่วยเหลือคนนอนกดดิสิ่งน้นสิ่งนี้ผู้ที่มีสติเห็นกายเป็นเวิรองต้นก็ช่วยกายเป็นการเป็นงานสมน้มสมเนื้อ ใช่แต่เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตแต่ก่อนเวทนาเนี่ยเป็นที่แสดงของหลายๆอย่างต่อไปจนเวทนาก็เกิดอุปาทานเวทนาเกิดตัณหาเวทนาเกิดกินเละเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรมากมายมันไปทางโน้นพอมีสติเห็นเวทนา มันก็ยืดพื้นที่ของเวทนาอีกไม่ให้เป็นที่แสดงของสุขของทุกข์ของกิเลสตัณหาของอุปาทานของภพของชาติในเวทนามันก็ไม่ีภพไมีชาติบางทีมันก็ติดภพติดชาติ ด, ด้วยเวทนานะเป็นภพเป็นชาติเก่งคู่กันกับจิตกับขันกับรูปอะไรมากมายในเวทนา มันเกี่ยวข้องไปไกลมันถนนหนทางต่อกันไปเรื่อยๆออกไปโดดผ่านตรงนี้ไปเรื่อยๆมันไปเกิดน่นเกิดนี่โผลน่นโผนี่ไปเรื่อยๆอ่ามันไปมันไปมันไม่หยุดมันเชื่อโลกแต่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบางทีถ้ามันลรกเรามากๆเขาก็ตัดตัดค้าตัดแชน ตัดมดลูกตัดเต้านมเพื่อตัดทางมันมาให้มันคลุกคามไ ป, ไปไกลการมีสีิไปเห็นกายเห็นเวทนาก็เหมือนกับตัดรูปแบบตัดรูปแบบตัดเพื่อไม่ให้มันกำลิงไปไดิมีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่ความรู้สึกตัวเหมือนจิตขอมันก่อนที่มันเกิดขึ้นจากจกิตเยอะแยะมากมายอย่างเดียวคือจิตคือคิดจิตมันคิดเกิดจาก ที่มันคิดความคิดเกิดได้หลายอย่างคิดไปได้หลายเรื่องเกิดความโลภ ค, ความโกรธความหลงมีสติบอมีสติลงไปกดยึดพื้นที่ของกิจอันอื่นมาแสดงอยู่บนกิตไม่ได้หรอกนีแต่ความรู้สึกตัวมีแต่สติแสดงอยู่บนกิจ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 เห็นจิดคือเห็นมันคิดเห็นมันคิดคือเห็นมันหลงสาวไปสาวเหตุสาวต้นตอมันทำไมมันจึงหลงเพราะมันไม่รู้ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่ได้สร้างสติทำไมเราไม่ได้สร้างสติตเพราะเราม่าแต่ไปทามันอื่นไปใช้ชีวิตแบบอื่นอ่ามากมาย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 ถ้าเป็นกิเลสก็กิเลสเอาไปกินฟรีลอยนวลกิเลสมันเอาไปกินแบบลอยนวลเหมือนโจรผู้ไอยมันลักของเอาไปกินอย่างลอยนวลมันก็มันก็เคยถ้ามันเคยลักเคยได้มันก็เคยกลายเป็นนักเลงไปพอเราจะลูกเราก็หมดไปแล้วมันเอาไปกินแบบลอยนวล วันนี้พอเป็นสติเนี่ยมันเอาไปกินไม่ได้มันไม่ลอยนวลได้เวลาใดมันหลงมันกลับขึ้นมาลู้อย่างไรมันไม่ลอยนวลไม่ลอยมันไม่ได้เอาไปกินฟรี <c oughs> ในกายก็ดีในเวทนาก็ดีในกิจก็ดีในธรรมก็ดีแต่สติ <c oughs> ที่กลับที่แก้ที่ไขที่หยุดที่ตัดหลวงพู่เทียนบอกว่าลู่แบบ ก่อนเราก็ไม่เข้าใจหรอกหลวงพ่เทียนเอาไม้สองอันมาวางชนกันวางชนกันแต่ดูไม่เป็นก็เลยว่าไม่อ่านเดียวกันไม่อันเดียวพอเนืน้อมือไปชนตรงกลางก็ตัดออกไปนี่นี่หลปู่เทียนบอกนะให้ทําแบบนี้เอาไม้สองอันมาชนกันเขาเอาเนื้อมือไปสอดเข้าตรงที่มันชนก็แยกออก ให้ลู่ตัดแบบนี้ให้รู่ตัดแบบนี้อะไรก็ตามให้รู่ตัดแบบนี้เป็นสุขก็ตัดแบบนี้เป็นทุกข์ก็ตัดแบบนี้เป็นหลงก็ตัดแบบนี้เป็นอะไรก็ตามรู่ตัดอย่างนี้ลู่ตัดอย่างนี้รูปแบบตัดตัด่ใช้รูปแบบต่อก็เป็นความลู่ก็ลูเป็นข้างลูเป็นข้างมันจะ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 ความรู้สึกตัวจริงๆอย่าไปลีลโลโลอย่าไปทาไมอย่าไปาหาเหตุถ้าผลทำไมจึงเป็นอย่างโน้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตัดยิ่งไปต่อไปเชื่อมเข้ า, าพูดเขาว่าทำไมไปคิดคําว่าทาไมมันเชื่อมต่ อ, อรู้เฉยๆมันตัดมันตัดเข้าไปผู้ที่เจริญสติก็ ความมากจะเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปใช้สมองหาเหตุหาผลความหลงกวามอซื้อบือ้อซื่อๆอนันไม่มีเหตุไม่มีผลหนวกความหลงเราก็โู่แบบตรงๆครับปหาเหตุหาผลเจ้าความหลงไม่ได้หาเหตุหาผลเจ้าความโกรธไป็ได้ตัดไปเลยหาเหตุหาผลเจ้าความสุขความทุกข์เป็ได้ตัดไปเลยภาษาพระเจ้า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 ถ้าผู้ไม่มีสติไม่เห็นหลกไม่เห็นความคิดขาดเหมือนเราไปเห็นน้ำไหลโอ้น้มไหลแะ่อ ม, อมองดีๆแล้วน้า ม, มันก็อันเก่ามันไหลไปอันใหม่มันไหลมามันสันตติมันสืบ ต, ต, ต่อมันสืบต่อกันการไหลแล้วว่าเทไปทันทาเลไหลไปอะไรก็ตามที่เกิดกับคิดเนี่ย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 ของยากกลายเป็นของง่ายของหนักกลายเป็นของเบาเราไปคุมจิตเนี่ยมันจะยุ่งจะยากเข็ดหลบับบางทีถ้าไปเกี่ยวกับอันผิดอันถูกเกี่ยวกับผิดเสียก่อนนะมันจะวกวนสับสนไม่ลืออล้อถอนไม่ลื้อถอนเหมือนเราไปเด็ดยอดไม้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 ตั้งแต่ดูกายในไปกายก็ปราบเข้าไปเวทนาที่มันเกิดสุขเกิดทุกข์เป็นทวารที่เอามาเป็นลดเป็นชาติในเวทนาลดชาติในเวทนาทำให้สัตว์โลกติดแม่แต่สุขติดแม่แต่ทุกข์ก็ติดบางทีอาจจะติดทุกข์มากๆด้วยซ้าไปความสุขอาจจะมีบ้างบ้างวบม แตความทุกข์อาจจะมากนะมันติดนะติดในเวทนาเป็นตัวเป็นตนอยู่ในเวทนาบอมาปราบมาปรามไปสองขั้นแล้วถึงเวทนาแล้วมันก็ปราบไปอีกพอไปดูกลิ่และอ่อนไปเลยเน อ, อนไปเลยมันก็มันมีพลังตั้งแต่กายตั้งแต่เวทนาเนี่ยเหมือน รถที่เขาจะเอารถขึ้นรถแม c โรขึ้นเทนเลอร์เออเอาเวาเอ า, เอาควยขึ้นรถเขาจะต้องหาที่ละลาดที่สูงไว้ก่อนขึ้นง่ายการขึ้นไปสู่กิจเนี่ยขึ้นจากกายจากเวทนาไปพอไปเอากิจบาเพ็ญทางกิจมันง่าย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 ไปเกี่ยวข้องกับจิตนี่ง่ายกว่าง่ายกว่ากายกาง่ายกว่าเวทนาเพราะจิตมันไม่มีอะไรกายมันก็มีเป็นดุนเป็นก้อนมันก็ปวดเกิงๆมันก็เจ็บเกิงๆมันก็ร้อนเริงๆมันก็หนาวจริงๆมันก็หิวเก่งๆถ้าไม่มีสติมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์เกิงๆพอ ต, ตัดได้กายก็ได้เวทนาก็ได้ยึดพื้นที่ของกายของเวทนาได้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 น้ำลำบากเทาน้ำในสะวัตน้ำในคีน้ำ ใ, ในมูนอันเดียวกันนมกับน้ำอันเดียวกันเข้ากันได้อ่าความรู้สึกเนี่ยเข้ากันได้ก็ความหลงความหลงเข้ากันกับคิดไม่ได้เต่พอเราสัมผัสดูแ ล, แล้วนะอ่าให้ฝึกไปให้ฝึกไปจะพบทางพบประตูออกประตูปิดเปิด ใช้ได้ชีวิตนะแต่ชีวิตใช้ไม่ได้มันไม่ใช่ชีวิตมันลึกองของเราที่อยู่อาศัยต้องเป็นสิ่งที่ใช้ได้ประตูเปิดได้ปิดไดอ้อะไรก็ตามที่มันใช่อะไรต้องใช่หลายๆอย่างมีรถมีลาก็หยุดได้เวี่ยงได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ไว่ได้ชาได้มันจึงเป็นของใช้ได้ชีวิตของเราก็เหมือนกันตมโแต่ไป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 พอมันมีสติแล้วมันมันไม่แสดงมันยืดแล้วมันไม่แสดงสติไม่มีไม่มีแสดงนะกายก็ไม่มีการแสดงเวทนาก็ไม่ได้แสดงกิจก็ไม่ได้แสดงเพราะสติมันปิดฉากมันยืดพื้นที่มันชักมันชักสะพานไม่มีอะไรจะมาแสดงได้ะ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 ทุกเหมือนกับมีรสมีชาติเวลาใดมันสุกเหมือนกับมีรสมีชาติมันหลอกเอาความรู้สึกตัวนั้นเป็นรสเดียวเนี่ยรสพฤตธรรมน่ะไม่ได้คิมดูจริงๆอะไรสัมผัสจริงๆเอาบางทีก็จับจั บ, จบวางวางเหมือนเราถือห่อข้าวเอาไว้ไม่ได้กินว่าตัวเองไม่ห่อข้าวเวลาหิวก็ไม่กิน เอาไปให้คนอื่นกินคนอื่นเขาก็อิ่มก่อนบางทีผู้ที่สอนทำบางทีเขาลูบก่อนบางทีบอกทำบางทีไม่รู้ถือห่อข้าวไปให้คนอื่นกินต้องสัมผัสดูดีๆความรู้สึกตัวเนี่ยปั๊บพร้อมพรอมกันไปพลิม ก, ม ก, กมือลูบสึกคลายมือลูบสึกจุกมือลูบสึกพ่ามันเกิดอะไรขึ้นลูบสึก มันจะติดเหมือนกันลถพฤตธรรมย่อมชนะลถท่องพวงมันติดลดเหมือนกันทั้งรูดทั้งหลงทั้งรูดทั้งหลงไปพร้อมๆกันมันก็ไม่มันก็ไม่ชัดเจนเป็นลถพฤตธรรมมันไม่สัมผัสได้ชัดเจนมีอะไรมาอทําให้ลดมันเสียทังรูดทั้งหลงแล้วลดเสีย ลดเสียเหมือนทะเลมันเกลือหยีบหนึ่งน้ำไหลายมากไปลงใส่เกลือเอาเกลือไปลงใส่น้ำก็จืดไปเลยเกลือลดพฤติอะไรให้มันลดล้นล้นลู่ล้นล้วนวิธีอะไที่มันจะลู่ซื่อซื่อตรงตรงน่หา ว, ว, ว, วิธีให้มันลู่ซื่อซื่อลู่ตรงๆมือมันก็ไม่อยู่เอามาพลิกพร่๊อทกิริยาที่พลิกมือ ซื่อๆตรงๆกับลู่แบบซื่อๆตรงๆยกมือขึ้นกับลู่ลู่ซื่อๆตรงๆเอามือมาว่าหน้าท้องกับลู่ซื่อๆตรงๆแต่มันลู่กับริบทที่มันเคลื่อนไหวพอดีพอดีกันลู่ก่อนลู่หลังก็มาเอาพอดีพอดีกั น, กก น, กก ไ, กนไปพอดีไปพร้อมกันอริบทนิมิดกับลู่เนี่ยไปพร้อมๆกันมันก็มีแต่ความลู่มันไม่ใช่อริบท ลู้ดีๆมันไม่ใช่รีบดไม่ใช่ยกมือมันเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่หายใจมันเป็นความรู้สึกตัวไม่ใช่พิบตามันคือความรู้สึกตัวไม่ใช่อะไรทั้งหมดมันคือความรู้สึกตัวนะอ่าไม่ใช่ว่าหายใจนะไม่ใช่เอาไปเอามาเป็นอันเดียวนะมันเป็นอันเดียวมันมีแต่ความรู้สึกตัวเป็นชีวิตไปเลยมัะนะ ความรู้สึกตัวอยู่ที่ไหนคือความรู้สึกตัวท่องหมดทำให้มันแม่นมีปืนเหมือนพื้ น, นเออมีดินเหมือนปื น, นมีปืนเหมือนยิงยิงให้แม่นยิงให้แม่นแม่น จ, จะลู่ลู้ไปเลยถ้าไม่ลู่อย่าไปทำมันทิ้งยิงเข้าป่าเข้าดงไปไม่ยริงไม่เสียเสียแรงเทีบตาดู ขึอนน้ำลายดูรูยกมือดูรูเดินดูรูเคลืค่อนไหวดูรูให้ ม, มันแม่นแม่นหัดให้มันแม่นแม่นผู้ที่ทำใหม่ๆเริ่มต้นให้แม่นยำดีๆอย่าไปปวยคิดอย่าไป่วยโมวดพิสูจน์อย่าไปหมวดทดลองการปฏิบัติธรรมแบบการเจริญสติไม่ใช่ทดลองเป็นการสัมผัสเป็นการสัมผัสเป็นการ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 ล้มก็ลงอยู่งั้นแหละเลือกไม่เป็นแต่เรามีความรู้สึกตัวนาะแต่บางทีต้องเอาใช้เวลาถ้าผู้ที่ทำความเพียรอย่างแม่นยำเนะเวลาไม่มากเวลาไม่มากจริงหนึ่งวันก็ยังแค่ได้แล้วชั่วโมงนหนึ่งก็ใช้ได้แล้วมันแม่นยำแต่ก่อนเคยเคยพูดกนอกปฏิบัต ดูดูนอกปฏิบัติเขาบอกว่าถ้าทําแบบคุณทําเนี่ยทําอยู่เดือนหนึ่งไม่เท่าไม่เท่ากับผมทําชั่วโมงเดียวก็พูดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปถามวเวลาเราไปดูเนะหลงเขาหลงเอาหลงออกหน้าออกตาความหลงออกหน้าเราดูก็ออกคนที่มีความหลงออกหน้า คนที่มีความรู้สึกตัวออกหน้าเราดูก็ออกเขาทำความเพียรอยู่หลายวันยังมีความหลงออกหน้าออกตาบางคนทำความเพียรไม่หลายวันมีความรู้ออกหน้าออกตาก็มีเหมือนกันนั่นไม่ใช่ทำศักแต่ว่ายกมือกันเดินเฉยๆเงอไหลครย้ยยอยนั่งหลังคนหลัง ห, หออาจจะไม่เรียงสมาภัต้องอยู่กับ กินก็คือความรู้สึกตัวออกหน้าออกตาการใช้ชีวิตเติมเข้าไปมาเติมเข้าไปนะในวิธีปฏิบัติก็มีเทคนิคมีเคล็ดลับบ้างไม่ใช่เคล็ดลับแบบนี้มันไม่ใช่เรื่อง Copy จากครูบาอาจารย์ Copy ไม่ได้เด็ดขาดต้องเป็นเรื่องของใครของเรา Copy ้หรือว่า Copy างนุกิแปลว่าคัปปี้หรือคัปเป้ อ, ะ, อะีเรื่องเทคนิคต่างๆเรียนจากกันไม่ได้นะต้องเป็นของตัวเราตัวใครตัวมันนะตรงที่ขยันตรงที่ใส่ใจตรงที่วางใจมันก็มีเหมือนกันขยันตรงไหน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 <c oughs> คุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่รู้จักสลัดความคิดไม่มีสติแม่เธอนั่งอยู่แม่เธอเดินอยู่แม่เธอทำอะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นบุคคลเกียดขค้านจน่นผู้ใดเมื่อใดคุณคิดในเวลาที่คุณคิดเธอไม่สติสลัดความคิดนั่นออกรู้สึกตัวแม่เธอนอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็ถือว่า เป็นผู้ปราลบความเพียรพระพุทธเจ้าตรัสรณ์นีมันอยู่กับการกระทํานะใส่ใจดีๆสนุกสนานไปกับการประกอบการทําความเพียรอย่าไปเศร้าโศกง่อยเงาเบื่อน้อยขี้เกลียดไม่ใช่อาศัยสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับตัวเองให้ดีๆอ เยี่ยมเยี่ยมแจ่มใส ม, มองอะไรมองแบบลื่นลื่นราบเรียบอย่ามองแบบอชอบไม่ชอบผิดผิดถูกๆเอาผิดเอาถูกชีวิตมีแต่ผิดผิดถูกๆสร้างเสี่ยงแวดล้อมให้กับตัวเองไม่ดีชีวิตของเรามันหลงลุดไปมแต่ความรูุดึกตัวถอนนั่นนงทำความเพียอยู่ใครจะโวยเกรวยว้ย ไ, ไ, ไ, ไม่เป็นไรหลุดสึกตัวเลยไป อาจจะมาทํำอะไรใหม่เปไล่รู้รู้จักตัวเลยไปอย่าซุกซนไปหาเอาผิดเอาถูกกับคนอื่นเชิงอื่นวัตถุอื่น อ, อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างนี้นนะสร้างเสียงเวทล้อมให้กับชีวิตของเราในเวลาเรากําลังฝึกหัดใหม่เหมือนกับเราสร้างเสียงเวทลอมให้ต้นไม้ต้นกล้าเล็กๆทําหลังคาลําไรลําไ ร, ไรแหลกบ้าง ลมบ้างให้เขาได้ตั้งให้ตัวให้ดีหรือเมล็ดไม้เทียงไม่งอกสร้างเสียงแหวนรอมให้เขาเอาผ้าผ้ติกคลุมให้อากาศอเป้าหรือเราปลูกเห็ดฟางฝนจะตกหรือแดดจะออกเราสร้างเสียงแหวนรอมให้มันดีๆให้มันคลื่นอเป้าเห็ดหูหนูออกเห็ดฟางออกเห็ด อะไรมันออกสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็ช่วยได้นะสิ่งเวดล้อมไม่ใช่ภายนอกเสมอไปในการปฏิบัติสิ่งแวดล้อมต้องเป็นภายในของเราอ่ะอันนี้เลยว่าพูดให้ฟังเนาะมันก็พูดธรรมปะแป๊บเดียวมันก็จบแล้วละอ่ามีสตินะเห็นรูปเห็นนามนะไปแป๊บเดียวสองสามคำจบแล้วแสดงธรรม แต่ว่าการแสดงคำว่าแสดงเทศนาคือแจกแกงเพื่อให้เห็นแง่เห็นมุมต่างๆช่วยกันตกแต่งเสริมสร้างให้กับผู้ปฏิบัติกับนิสัยปัจจัยต่างๆที่ต่างแตกกันแตกต่างกันไปเพื่อให้ให้มันเกิดความง่ายเกิดความชัดเจนแม่นยําเข้าไป เราก็สร้างจังหวะเหมือนกันสิบสี่จังหวะเหมือนกันแต่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เรานอกจากจังหวะที่เราสร้างเหมือนกันนีนะ่มันมีอีกเยอะแยะนะมันมีอีกเยอะแยะที่เราหามาประกอบกับสิบสี่จังหวะให้มันได้ให้มันเข้าลงเดียวกันเป็นปีเป็นขุยเป็นพลังร่วมแนวร่วมให้เกิดสิบสี่จังหวะให้เกิดสติชัดเจนไป อย่าไปทำรุนรุ่มดอนดนเปืนไปเป็นเป็นการปฏิบัติที่เราจะต้องหามาประสบการ์บดเรียนบางทีเราไปถามว่าเดินชาหรือไวดีนั่งเท่าไรเจ้าบงเดินเท่าไรเจ้าบงวันนี้มันไม่มีคำถามหรอกมันอยู่กับเราที่เราจะสร้างให้เกิดผลชาหรือไวมันอยู่กับเรา ม่ใช่อยู่กับสูตรสำเร็จมันอยู่กับเราตามการและเวลา อ, อันนี้ก็สมควร